แต่ถามว่าบางคนก็บอกโอ้ยตั้งใจสมาทานศีลสมาทานเช้าได้เย็นเลยใช่ไหมันเป็นยังไงอ่ะอ้าสมาทานศีลตอนเช้าให้ผลกำไรตอนเย็นเลยใช่ไหมโอถ้าอรหัตมรรคเกิดอาจจะใช่ถ้าศีลที่เกิดขณะอริยมรรคใช่แต่ถ้าธรรมดาก็ใช้เวลาน้อยต้นไม้บางพันก็ต้องปลูกตั้งหลายสิบปีใช่ไหมกว่าจะให้ลูกให้ดอกให้ผล ไม่ก็เหมือนกัรเนี่ยนะท่านก็ตั้งใจรักษากุศลเจตนาบางคนรักษาเลยทําไมไม่มีอย่างที่พระท่านโฆษณาเลยเนี่ยนะจริงก็ต้องไปดูว่าบางทีเนี่ยมันรักคิดถึงศีลนิดเดียวนะที่เหลือคิดถึงบาปหมดเลยเนี่ยนะมันก็ต้องรักษากุศลสมาทานกุศลธรรมเหล่านี้ให้ดีศีลข้อสเนี่ยนะกุศลกรรมบทข้อสเว้นด้วยการเว้นจากการเมตสุมิสาจาันหรือการประพฤติพรหมจันทร์ก็คือ เป็นผู้ที่ไม่มีค่าศึกเป็นคนที่ปราศจากศัตรูเป็นคนที่เกิดมาไม่มีศัตรูเลยไม่รู้ศัตรูเป็นยังไงไม่มีค่าศึกศัตรูและเป็นที่รักเป็นที่พอใจของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็คือเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่พอใจนะปิยมนาปะเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของสัตว์ทั้งหลายและก็เป็นคนที่มีปกติได้ข้าวของเครื่อง ได้ข้าวได้น้ำได้ผ้าได้วัตถุเครื่องปกปิดนะสมบูรณ์ด้วยข้าวของเครื่องใช้แล้วก็เป็นคนที่หลับสบายนอนก็หลับสบายตื่นขึ้นมาก็สบายพ้นจากภายในอบายเนี่ยนะรับประกันได้เลยว่าไม่ไปอบายไม่สมถ้าเป็นผู้ชายอยู่แล้วก็ไม่สมควรจะไปเกิดเป็นหญิงและเป็นกระเทยถ้าเป็นผู้หญิงปรารถนาจะเป็นผู้ชายก็สาเร็จนะนะแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่โกรธนะนะ เป็นคนไม่โกรธเป็นคนที่มีปกติทำจริงเป็นคนที่ไม่เก้อเขินเป็นคนที่มีความสุขด้วยการต้อนรับเชื้อเชิญคือบางคนเนี่ยนะบางคนไปที่ไหนไม่มีใครต้อนรับเลยใช่ไหมแต่นี้คนที่ศีลเหล่านี้ดีเนี่ยนะเป็นที่ที่คนต้อนรับและเชื้อเชิญคล้ายๆยินดีต้อนรับประเภทนั้นอ่ะติดป้ายไว้เลยเหมือนกันเป็นคนที่มีอินทรีย์สมบูรณ์หมายว่าตาก็ไม่พิการไม่พิการตาหูจมูกเล้นผิวพรรณก็เป็นต้นของงดงาม เป็นคนที่ปราศจากความระแวงนะ ซ, ซึ่งซึ่งบางคนนี่ระแวงมากเลยใช่ไหมระแวงแต่นี้ไม่ไม่ไมระแวงอยู่อย่างสบายเนี่ยนะแล้วก็เป็นคนขวนขวายน้อยหมายความว่าไม่ต้องคือคือทำอะไรก็ไม่ต้องไปโอ้ยเดือดร้อนซะจนกว่าจะได้แต่ละอย่างขึ้นมานิดเดือดร้อนมากเลยเนะี่ยแต่นี้ไม่จะว่าไม่ต้องขวนขวายมาก เป็นคนที่อยู่อย่างสบายไม่มีภัยจากเรื่องอะไรอะไรเลยคิดว่าเป็นคนที่ปลอดภัยเสมอเป็นคนที่ไม่มีการพลัดพลากจากของรักเพราะการงดเว้นศีลขอ้อนี้สมมติว่าถ้าหากว่าใครไปไปทำให้ไปผิดการเมรกับคู่ครองของคนอื่นแล้วครอบครัวของเขาจะอยู่สบายเลยต่อไปใช่หมบอกไม่เพราะฉะนั้นคนที่รักษาศีลข้อนี้ดีให้ความให้ความปลอดภยัยให้ความสุขความ ปลอดภัยกับคู่ครองของบุคคลอื่นบุตรภรยาของผู้อื่นเป็นต้นอันนี้จึงมีผลมากมีกําไรมากครอบครัวของเขาก็อยู่เป็นสุขนั้นเราให้ความสุขเหล่านี้เป็นฐานเท่าใดเราก็ประสบความสุขเท่านั้นเนี่ยนะปั้นกุศลจิตเนี่ยนะเป็นตัวที่อุปถรรัมเป็นตัวที่ปกปัก ร, รักษาเราเพรา ะ, ะนั้นขอให้เราตั้งใจเรียกว่าสมาทานรักษากุศลธรรมคุณงามความดีเหล่านี้เอาไว้ให้ดีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของเราเป็นเหตุให้เราทั้งหลายประสบแต่ความสุขและความเจริญ ขณะเดียวกันถ้าเรารักษาเกี่ยวกับวาจารักษากุศลศีษประเภทวาจาบ้างนนใช้วาจาเป็ น, น, น, นเว้นจากคำเทศคำหยาบเพอเจอร์และซอเสียดบอกว่าหนึ่งทำให้เป็นคนที่มีอินทรีย์ผ่องใสเราอินทรีย์ผ่องใสตาเพราะไม่ฟ้าไม่บอดไม่ฟางเลยนะหูก็หูดีไม่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวก็ตามีปัญหาเดี๋ยวก็โรคตาเดี๋ยวก็โรคหูเดี๋ยวก็โรคจมูกเป็นต้นนี แล้วก็ลิ้นก็รับรสจืดชืดแม่กินทานอะไรก็ไม่อร่อยไม่เป็นอย่างนั้นก็อินรียผ่องไสตาหูจมูกลิ้นกายกายก็มีผิวพรรณผ่องใสไม่ปวดไม่เมื่อยไม่โรคมากเป็นผู้ที่ศีลข้อ4ดีเนี่ยนะก็มีปกติพูดแต่ถ้อยคําที่สละสลวยเนี่ยนะคำพูดของเขาเนี่ยบางคนเนี่ยพูดพูดไม่เพรอะไม่เป็นนะบางคนนี่พูดไม่เพราะไม่เป็นถ้อยคําแต่ละอย่างคําพูดเพรอะหมดเลย เป็นคนที่พูดสลัดสลดแล้วคาพูดเนี่ยกโกรธแล้วยังคำพูดยังยังฟังน่ารักเลยแบบนั้นเลยโกรธแล้วยังฟังดีเลยแบบนั้นบางคนเนี่ยมาพูดดีแล้วยังแหม่ ย, ยังน่าราคาญเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงเวลากโกรธเป็นต้นอันนี้ก็เป็นผลของศีลดีก็เป็นอย่างนั้นเสร็จ แ, แล้วก็ผลของรักษาศีลข้อศดีฟันเนี่ยเรียบเสมอขาวแล้วก็สะอาดนะไม่ต้องอุดฟันเป็นย0่สแผงอย่างนั้นนะนะ แล้วก็เส้นข้อนี้ดีก็ไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปแล้วก็ไม่ต่ําเกินไปไม่สูงเกินไปเนี่ยนะอะไรที่มันเกินเกินเนี่ยถูกตัดออกไปหมดแล้วพอดีหมดเลยเหมาะที่สุดเนี่ยนะแล้วก็เป็นคนที่มีสัมผัส ด, ดีเนี่ยนะผิวสัมผัสดีคือบางตัวเนี่ยบางคนนี่จับแล้วกระด้างมากแต่นี้สัมผัสดีแล้วก็มีกลิ่นปากหอมเรียกว่ากลิ่นปากก็เหมือนกับกลิ่นดอกบัว น, นะครับกลิ่นปากเด็กเคยเห็นไหมกลิ่นปากเด็กเนี่ยลักษณะค่ะแบบนั้น เป็นผู้ที่มีบริษัทเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทกันนะคำพูดพูดคําใดแล้วคนเชื่อฟังหมดเลยนะคือเรว่าสั่งได้นะที่จริงคนที่มีอํานาจสั่งคนเป็นเนี่ยนะในอดีตรักษาวาจามาเป็นอย่างดีเพราะนั้นเวลาบุญให้ผลทําให้ตัวเองมีอํานาจสั่งให้คนไปตายก็ไปตายแต่จากว่าหลังจากสั่งอันนั้นแล้วจบเลยเท่ากับพลีชีดตัวเองเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเพราะนั้นเวลาที่คือคนเนี่ยบางทีเนี่ยไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่ตัวเองได้มายศอํานาจศักดิ์ศรี อะไรทั้งหลายเนี่ยไม่รู้หรอกนี่เป็นผลบุญแต่พอมีสิ่งเหล่านั้นกลับมาทำลายตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าอำนาจยศความยิ่งใหญ่เป็นต้นเนี่ยมีแก่คนผ่านเพื่อฆ่าตัวเองนะเขาไม่รู้รัก ว, ว่านั่นมีการมีสิ่งเหล่านั้นเพื่อทำลายตัวเองแท้ๆแต่บางคนนี่ก็เป็นอย่างนั้นนั้นรักษาศีลเราดีเนี่ยรักษาศีลให้ดีๆเนี่ยแล้วก็ตั้งอัตตาสัมมาปณิทิให้ดีๆ ด, ด้วยนะ ถ้าเช่นบุญเหล่านี้ให้ผลไปมียศมีเดชมีฤทธิ์มีอำนาจเสร็จแล้วก็ไปทําบาปซะเลยเนี่ยนะเพราะว่าอุปกรณ์ทั้งหลายสิ่งดีๆทั้งหลายมีแก่คนผานเพื่อทําชั่วนะทีนี้ต่อไปนะเป็นคนที่มีคำพูดที่เชื่อถือได้บางคนเนี่ยหลอกคนอื่นนะยิ่งหลอกคนอื่นก็ยิ่งเชื่อหลอกแล้วเขาก็ยังเชื่อเองนะถ้าบางคนนี่มีบุญขนาดนั้นนะเชื่อนะ บางคนไปพูดจริงขอร้องอ้อนวอนยังไงเขาก็ไม่เชื่อบางคนนี่หลอกยังไงเขาก็เชื่อหมดเนี่ยนะบางคนนี่มีบุญจริงจริงมันเพราะอะไรเพราะบุญที่เคยรักษามาเนี่ยห ล, ลอกคนอื่นก็ยังเชื่อเลยไปหลอกเอายังไงก็ได้เชื่อหมดอะแล้วบางคนนี่มีเอ่อผลของศีลข้อนี้ดีทําให้ลิ้นเนี่ยอ่อนแดงบางเรียกว่าก็ไม่ใช่แบบลิ้นจุกปากเต็มปากจะพูดอะไรก็เฮ้ยพูดยากพูดเย็นเลยนะเคยเห็นไหม ลักษณะนั้นนะพูดยากเต็มทีเลยแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจไม่หดหงอกเน่ะเป็นคนที่บางคนเนี่ยเป็นโรคท้อเป็นปกติเคยเห็นไหมเป็นโรคท้อนิสัยขี้เกียจเป็นปกตินั่นแหละโอ้ยอะไรก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแพ้หมดนะแพ้ทุกเรื่องนะแม้กระทั่งอะไรนะท้อถอย่จะทําอะไรสักอย่างนะขี้เกียจไม่ทำมันนะเอาไปเอามาจนนั่งนิ่งๆบางคนเนี่ยนิ่งได้ทั้งวันมีโรคจิตบางประเภทนิ่งได้ทั้งวัน นิ่งได้ทิง้งหลายชั่วโมงเนี่ยเป็นโรคจิตบางประเภทนะไม่ใช่ว่าเป็นคนปกติอะไรหรอกก็ใช่เขาเขาก็เชื่อเขาวิจัยแล้วว่าโรคจิตบางอย่างทําให้นั่งนิ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือเลยหลายวันเลยแตบางทีนิ่งไม่ทําอะไรอะ่ะนะผิดปกติทางความคิดแล้วก็ต่อไปนะรักษาศีลข้อนี้ดีทําให้ไม่ฟุ้งซ่านเพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนพูดมากพูดแล้วฟุ้งนะ โคตมากแล้วฟงมากใช่ไหมเราพูดจบแล้วมานั่งยิ้มมีความสุขไ ม, ม, ม่กี่คนหรอกใช่ไหะท่านแม้กระทั่งพระที่แสดงธรรมลายรูปเหมือนกันพราะเทศจบบรรยายนธรรมจบในโดยมากฟงสัง้นนะถ้าไม่มีเครื่องอยู่ไม่มีกรรมฐานไม่มีอะไรเนี่ยฟงสั้นมากเพราะว่าเวลาพูดมากมันจะเหนื่อยถ้าเหนื่อยแล้วมันใกล้ต่ออุทธจฉามากก็ฟงสั้นจะต้องมีกรรมฐานรองรับต้องมีกุศลอย่างอื่นในรองรับทั้นถ้ารักษาศีลดีก็ทําให้ไม่ฟงสั้นเลยนะ โดยเฉพาะคำพูดที่พูดเป็นสัมมาวาจาทำให้ไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้าพูดเป็นมิจฉาวาจาแล้วก็ยังไงก็ฟุ้งเหางนกันทีนี้ถ้าเกิดรักษาศีล น, น, น, นะเกี่ยวกับเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือเกี่ยวกับสุราทัย้า ง, งดเว้นจากการดื่มสุรามีอะไรก็ทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทในกิจและกรณียกิจทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันบางคนนี่รอบครอบสูงมากเลยนะ ใครควรอาศัยประสบการณ์ที่มีในอดีตทั้งหมดมาปรับประยุกต์ใช้ในปัจจุบันแล้วก็เล็งคำนวณถึงเหตุการณ์ที่จะมีในอนาคตอะไรควรจะเกิดขึ้นสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นผลของการงดเว้นจากการดื่มสุราทาให้เป็นคนฉลาดรอบรู้เรียกว่ารู้ทั้งประวัติศาสตร์คาดคานวณต่อไปได้เลยว่าอะไรต่อไปควรจะเกิดในอนาคตเมื่อรู้ว่าอะไรควรจะเกิดในอนาคตและจัดการบริหารชีวิตอย่างไรเนี่ยเรียกว่าดําเนินอย่างเหมาะสมกลายเป็นคนที่ฉลาดในกิจและ กรณียกิจเนี่ยนะพราะพวกนี้ฉลาดมากอันนี้เป็นผลของการงดเว้นจากดื่มสุราแล้วก็เป็นคนที่มีปัญญาเนี่ยนะเป็นคนที่มีปัญญามียานหมายความว่าคนมียานเนี่ยนะคนมียานนี่มองเห็นอะไรก็จะมองทะลุโปร่ปรปรงไปหมดทุกเรื่องแล้วก็เป็นคนที่มีสติปรากฏอยู่ทุกเมือ่อหมายความว่าไม่เผลอไม่เบล อ, ไ ม, ลอไม่เลอะเลือนเนี่ยนะแต่บางคนเนี่ยบางทีอยู่เนี่ยแค่โรคอะไรเนะี่ยอัลไซเมอร์ใช่ไหมเป็นยังไง อัลไซเมอร์เป็นยังไงหมอโรคความจาเสื่อมยไหพูดจบไม่รู้ว่าพูดอะไรอย่างนี้เลยอง <c oughs> มาในอนาคตน่าจะเป็นเหมือนกันนเนี่ยพูดไปเยอะมากนี่จำมันก็ได้แล้วบอกออท่านพูดเรื่องนั้นมันหมายความว่ายังไงบอกโหพูดเมื่อปีไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะั่น <c oughs> ไม่ <c oughs> เอาถ้าอย่างนี้เพอร์เจอร์ก็ไม่รู้พูดดีนะ <c oughs> พูดยังไงแล้วนะ ในต่อไปศีนข้อที่ห้าดีเนี่ยนะงดเว้นจากดื่มสุราก็ทําให้เป็นผู้มีปฏิพัณธ์ในที่ทุกสถานบางคนนี่มีปฏิพัณธ์มากพอมองเห็นเนี่ยนะคนอื่นเขามองว่าเป็นปัญหาคนนี้มองว่าไม่ใช่ปัญหามองแล้วมันแก้มองวิธีแก้ออกหมดเลยหนึ่งสอสามสี่อธิบายได้หมดแก้ได้หมด ท, ทันทีบางคนนั้นมีปฏิพันธ์เกิดได้ในที่ทุกแห่งไอคนอื่นที่เขามองว่ามีปัญหาคนนี้บอกไม่ใช่ปัญหาแก้ได้หมดเลยอันนี้เศลข้อนี้ดี มันเมื่อมีกิจมีกรณียกิจเกิดขึ้นเนี่ยมีปฏิภาณไว้พริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่เก่งมากเลยเน่ะปัญหากระว่าเปิดเป็นตายอย่างเงี้ยนะก็แก้ปัญหาได้เสร็จหมดนี่ยกระว่าผลของศีลเหล่านี้ดีต่อไปก็ศีลข้อนี้ทําให้เป็นคนไม่เกียดคร้านคนเมาเนี่ยนะผลัดวันประกันพรุ่งพอเมาแล้วไอธุระด่วนนะมันหายด่วนหมดก็าบอกว่าโดยที่สุดแม้แต่สงครามเนี่ยแผนกองสเสบียงต้องส่งให้ทันภายในวันนี้ มมเล่าแค่นั้นแหล อ, อวันหลังก็ได้ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มีรีบเนี่ยนะสบายหมดเนี่ยนะอืดได้ทุกเรื่องเลยนะถ้าเราเล่าเข้าแล้วเนี่ยนะยากธุระสำคัญสำคัญเ น, นี่ยนะโอ๊ยถูกชชยมาเนี่ยเร่งมากพอเมาเขาแล้วโอยสายนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะคนเมาเนี่ยตายเป็นคนเกียกร์ครนแล้วก็โง่เ ข, ขลาเนี่ยนะแล้วก็อะะัฉรตะโง่แบบแพ้นั่นโง่ แล้วก็ศีลข้อ น, นี้ดีก็ทําให้ไม่โง่ไม่เขลาไม่เป็นบ้าไม่เป็นไบ่แล้วก็เป็นคนที่ไม่หวัดสะดุง้งเป็นคนที่ไม่มีใจแข็งดีเนี่ยนะไม่มีใจแข็งดีมีใจแข็งดีเนี่ยนะอย่างคนขี้เมาเนี่ยบางทีเนี่ย ม, มันจะแค่ไหนวะอย่างงี้ยนะแหมรู้จักเราน้อยไปมันจะแค่ไหนเชียวเนี่ยนะก็พวกนี้ก็โอ้ยวางอํานาจบาดใหญ่ตัวจะประคองไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยไปเที่ยวท้าทั่วไปหมดเนี่ยนะไปเที่ยวท้าก็ยง้งแย้งหน้าบ้านเนี่ยนะ นะเซข้อนี้ดีทําให้เป็นคนที่ไม่มีใจมักรษยาเป็นคนไม่ตรนีเป็นคนพูดแต่คําสัตย์คําจริงเป็นคนมีปกติไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเท็จไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพอเจอก็เขาเคนเมาเนี่ยนะมันไม่น่าเชื่อและคนละคนไปเลยทันทีเลยนะเขาบอกว่าเมาบางคนเมาบางคนนี่ดูร้ายมากบางคนเมาแล้วก็นิ่มนวลบางคนเมาแล้วก็เหมือนกับคนบ้าบ้าก็มีหลายประเภทใช่ไหมเพราะาตอนทําเหตุยังไงผลก็คล้ายๆกัน นี่คนที่ไม่ดื่มสุราเนี่ยเป็นคนกระตันยูเป็นคนกระตะเวทีกตันยูก็คือรู้คุณของผู้อื่นทําให้แก่ตนรู้คุณความดีที่ตัวเองทําอะไรไว้บ้างแล้วก็สามารถที่จะตอบแทนคุณต่อผู้มีพระคุณได้นะนะมันโดยโดยโดยมากแล้วคนขี้เมาพวกติดยาเสพติดเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้คุณของผู้อื่นเท่าไหรน่นะไม่รู้คุณของคนอื่น แล้วก็เว้นจากดื่มสุราก็ทําให้มีโภคะมากโภคะยั่งยืน ก, ก็เกษตรทีหลายคนที่ล่มจมผิดพลาดก็เพราะเมานี่แหละพอเมาแล้วอะไรตามมาการพนันก็ตามมาสุรานารีตามมายั่งพนันตามมาท่องเที่ยวตามมาถูกหลอกประจําเลยนะก็เลยหมดตัวเพราะคนที่ศีลข้อ น, นี้ดีทําให้โภคะยั่งยืนแล้วก็เป็นคนที่รักศีลด้วยนะมองเห็นว่าศี่นี้เป็น ซับเป็นคนที่มีศีลเป็นคนดีโดยอัธยาศัยแล้วก็เป็นคนซื่อตรงเป็นคนไม่โกรธเป็นคนที่มีฮีริโอตา ป, ปะคนเมาเนี่ยนะขาดหีริโอตา ป, ปะจริงๆนะผ้าผ่อนมันไม่เหลือเลยแหละนะไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นนะแม้กระทั่งเสื้อผ้ายังไม่เหลือเลยเพระะนันถ้าคนศีลดีทําให้เนี่ยนะมีหีริโอตา ป, ปะละอายรู้อะไรเหมาะสมเป็นคนที่มีมัญญาสเป็นคนที่รู้กาละเทศะเป็นต้นเนี่ยนะ เฉั้นคนที่เว้นจาก ALLY รักษาศีลข้อ น, นี้ดีไม่ดื่มสุราก็ทําให้เป็นคนที่มีความเห็นตรงเนี่ยนะหมายถ้าว่าเห็นทุกอย่างเห็นตรงที่ที่ถูกชูติตาเนี่ยนะอุชุทิฏฐิตาก็คือเป็นคนที่มีทัศนคติต่อทุกเรื่องอย่างตรงและถูกต้องไม่ผิดพลาดแล้วก็เป็นคนที่ใจใหญ่เนี่ยนะใจใหญ่คําว่าใจใหญ่นี่หมายถ้าว่า ไม่เป็นคนยุ้มยิม้มไม่คิดเล็กคิดน้อยซะเมื่อยใจเลยนะบางคนคิดเล็กคิดน้อยจะใจเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยนี่ไม่แล้วก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และอะไรไม่ใช่ประโยชน์อะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอะไรดีอะไรชั่วนี่แยกแยะได้หมดเลยอันนี้เป็นอันนี้สองของการรักษากุศลกรรมมาบทสิบมันการตั้งใจรักษากุศลกรรมบทสิบเมื่อได้มนุษย์ก็เป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยนะมนุษย์สมบัติก็เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพชาติระกูลก็สูงอะไรก็ดีสุขภาพรูปร่างผิวพรรณหน้าที่การงานทุกอย่างดีหมดเลยอันนี้เป็นผลของกุศลกรรมบทสิทธิที่รักษามาดีแต่ถ้าตัวไหนม า, ม า, ม, ามาตัดนะมันจะลดเลวส่วนนั้นส่วนนั้นถ้าหากว่าบาปสายปานาติบาตมาให้ผลก็โรคเกี่ยวกับสุขภาพถ้าบาปสายอธินาทานตามมาให้ผลก็บาปประเภทโทษประเภท เกี่ยวกับเรื่องซับเนี่ยเดี๋ยวว่า่มจมละถ้าบาปประเภทการเมมาให้ผลมีศัตรูโดยที่ไม่มีสาเหตุพูดอะไรมันผิดหูคนไปหมดเลยลนะมันมันพูดอะไรเป็นผิดหมดนะเคยไหมเออแปลกนะบางคนบอกพอพูดอะไรแล้วมันเป็นผิดหมดเลยเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเลยก็ตั้งใจจะทําดีนะยิ่งทํายิ่งผิดอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็โทษของบางทีบาป ท, ที่อยู่ไกลๆเนี่ยมันตามมาให้ผลทําให้หลายๆเรื่องเสียหายหมดคลื่นในอดีตคลื่นกรรมมันส่งมาไม่ค่อยดี ก็เลยแปลสัญญาณผิดไปหมดเลยและแทนที่จะดีกลับยิ่งเลวร้ายลงนั้นถ้าสินข้อที่สี่ให้ผลเนี่ยนะก็ถ้าถ้าความทุ่มสินข้อที่สี่ให้ผลเนี่ยอยู่ๆก็ถูกด่าโดยไม่มีสาเหตุอย่างเง้ยนะงงไปหมดเลยทําไมอ่ะนะบอพอวันหลังมารู้อ้าวด่าผิดคนว่างั้นคล้าย <c oughs> <c oughs> ๆแบบเนี่ยนะเพราะถูกด่าโดยไม่มีเหตุผลถูกยุยงตะแคงรัวง่วเพราะเกิดจากความเข้าใจผิดอะไรเป็นต้น พันถ้าจากอย่างศีลข้อหสมมติรักษาศีลข้อหปกติศีลข้อห้าดีก็จะให้ผลเป็นคนมีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดถ้าความทุ่มศีลมันตามไม่ผลนะคิดอะไรเป็นพลาดหมดคิดอะไรมันเผลอมไม่มน่าเลอะเลอะเลอะเลอะเลือ่อนเลือเล่อนห ล, ล, ลงหลง ล, ง ล, ง ล, งลงืมลืมปัมปมปนน ห, ห้รักษากุป๋ธรรมเหล่านี้เก็เสียหายละพันถ้าใครที่บอกว่าโอ้ฉันยังไม่ปรารถนาจะนิพพานอะไรหรอกถ้าอยากอยู่ในสังสารวัฏสบาย โดยไม่เดือดร้อนก็รักษากุศลกรรมบทสิให้ดีเนี่ยนะทีนี้ถามว่าถ้าเห็นโทษของสังสารวัตก็ต้องรักษากุศลกรรมบทเหล่านั้นให้ดีเพราะกุศลกรรมบทนั้นเป็นอุปทิสัยเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลท่าฐานคือสุดจริญสามไม่ดีสติปทานสมมาตรทานอิทิบาทจะเจริญได้อย่างไรเนี่ยนะอันกุศลกรรมบทที่ประพฤติดีรักษาดีมีประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยนะได้ประโยชน์ทั้งตนได้ประโยชน์ทั้ง คนอื่นได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะเพราะเป็นฐานรองรับคุณธรรมชั้นสูงเป็นอย่างดีในพระสูตรที่พระสารีบุตรกล่าวที่บอกว่าผู้ที่รู้ชัดผู้ที่รู้ชัดรู้ชัดอกุศลกับอกุศลมูลรู้ชัดกุศลกับกุศลมูลเพราะฉะนั้นอย่างนั้นก็จะละราคานุใสบรรเทาปฏิคานุสัย ถอนทิฏฐานุสัยมานานุสัยละอวิชาได้ทุกอย่างยังวิชาให้เกิดขึ้นเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันอธิบายในหน้า562ข้างล่างว่าเอวังอากุสลังประชานาติรู้ชัดอากุศลด้วยสามารถแห่งอากุศลกรรมบทตามที่ได้กล่าวแล้วอย่างนี้นะรู้ชัดทั้งสภาวะของอากุศลพร้อมทั้งองค์พร้อมทั้งทุกโทษพิษภัยองค์ประกอบของ อกุศลทุกอย่างตามนัยยะที่กล่าวแล้วนะรู้ชัดทั้งอกุศลมูลพร้อมทั้งทุกโทษพธิษภัยของอกุศลมูลทุกอย่างรู้ชัดกุศลนะทั้งองค์ประกอบและผลกําไรที่เกิดจากกุศลรู้ชัดสาเหตุของกุศลมูลว่ากุศลมูลนั้นดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะด้วยเหตุเพียงเท่านี้โดยนัยยะเดียวกันเนี่ยท่านพระสารีบุตรได้แสดงถึงกรรมฐานที่เป็นนิยานิกธรรมเป็นธรรมที่นําสัตว์ออกจากทุกข จนถึงผ้าอารหรันสําหรับผู้บำเพ็ญกรรมฐานมีจตุราริยสัจเป็นอารมณ์ฮันพูดกุศลกรรมบทสิบเนี่ยนะผูดกุศลกรรมบทสิมูลของกุศลกรรมบทพูดถึงอกุศลกรรมบท10มูลของอกุศลกรรมบทเนี่ยนะก็ต้องใคร่ควรวญให้เป็นอารมณ์อ่าใคร่ควรวญให้เป็นอริยสัจเพราะการตรัสรู้อริยสัจเป็นธรรมที่นําออกจากทุกเป็นธรรมที่นําออกจากวัตถะถ้าพิจารณาไม่เห็นอริยสัจก็นําออกจาก วัตะไม่ได้เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือแพงตลอดอริยสัจเหมือนการตรัสรู้อริยสัจเจึงนําออกจากทุกข์แล้วถามว่าที่พูดมาเนี่ยมันจะรู้อริยสัจบรรลุอริยสัจเห็นอริยสัจได้อย่างไรตอบว่าความจริงอะกุศลกรรมบทสิบและกุศลกรรมบทสิบเวน้นอะพิชชาท่านเรียกว่าเป็นทุกขสัจจะนะนะ ทั้งหมดนั้นเป็นทุกขสัจจะส่วนธรรมะสองอย่างคืออภิ ช, ชาและโลภะที่เป็นอกุศลมูลอันนี้เป็นสมุทยัยสัจจะโดยตรงกรรมบด ท, ทั้งหมดเป็นทุกขสัจจะโดยอ้อมกุศลมูลและอกุศลมูลเป็นสมุทยัยสัจจะความไม่เป็นไปแห่งกุศลและอกุศลมูลทั้งสองนั้นเรียกว่าเป็นนิโรสัรจจะเมื่อกำหนดรู้ทุกขละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งอบรมอริยมรรคเป็น มักศัจจะศัจจะเหล่านั้นว่าโดยสรุปสัจจะสองนิโรธกรรมมักด้วยสามารถแห่งการไม่หมุนไปคือพูดถึงโดยทั่วๆไปเนี่ยนะถามว่าถ้าอากุศลอกุศลมูนอากุศลมูนทําให้ร่วงอากุศ ล, ลกรรมบทถามว่ามันพาไปไหนพาไปสู่ความเลวร้ายทั้งชาตินี้และชาติหน้าพาหมุนไปสู่อาบายทุคติวินิบาตและนรกถ้ารักษา ถ้ามีกุศลมูลเจริญกุศลกรรมบทสิบพาไปไหนพาไปสู่ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าพาไปสู่มนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติแต่ทั้งกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทพาไปไหนก็พาไปสู่วัฏฏะพาไปสู่สังสารวัฏเนี่ยนะถามว่าถ้าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวัฏฏะเหล่านี้เป็นอะไรก็เป็นวิวัฏฏะเป็นนิโรสัจจะแล้วปฏิบัติอย่างไรเนี่ยนะจึงจะแทงตลอดนิโรสัจจะ ก็ปฏิบัติตามปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิ์เป็นต้นเนี่ยนะก็ตามอนุปัสนาทั้งหลายก็เป็นเหตุให้แทงตลอดนิโรสัจจะเนี่ยนะถ้าแทางตลอดนิโรสัจจะด้วยมรรคสัจจะเนี่ยนะปฏิบัติตามอริยมรรคอันนะั้นคือกําหนดรู้ว่ากุศลกรรมบดอกุศลกรรมบดเป็นทุกขสัจอันนะอกุศลมูลเป็นสมุทัยสัจจะพั้นปฏิบัติกําหนดรู้ในกุศลกรรมมาบดสิ อากุศลกรรมบทสิบละอากุศลมูลทั้งหลายได้ก็ทํานิโรสัจจะปฏิบัติจนแทงตลอดทำเป็นที่ดับอกุศลมูลเนี่ยนะทำเป็นที่เพิกถอนอะไรเป็นที่สางแห่งตันหาก็คือนิโรสัจจะเป็นธรรมที่สงบระงับดักวะตต์ทันท่าแทงตลอดนิโรสัจจะด้วยอนุภาพของอริยมรรคเพราะตัวสัมอันนี้นิสูตรนี้บอกตรงๆว่าคือสัมมาทิฏฐิสูตรใช่ไหมเป็นสูตรที่พูดถึงมรรคสัจจะอยู่แล้วตรงตัว เพราะมักสัจจะคือธรรมชาติที่เข้าไปกําหนดรู้ทุกขละสมุทัยปฏิบัติเพื่อทํานิโรธให้แจ้งเมื่อแทงตลอดนิโรธสัจจะเนี่ยนะกำหนดรู้ทุกขละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งอบรมตัวความเข้าใจนี้จนเต็มเตี่ยมบริบูรณ์โสสัพโสราคานุสยังปหายะเธอจะละราคานุสัยโดยประการทั้งปวง คือถ้ารู้ชัดอกุศลเป็นต้นอย่างนี้จะละราคานุสัยได้โดยอาการทุกอย่างเพราะแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะอาการแทงตลอดอริยสัจเช่นโซดาปฏิมาละอนุสัยอะไรทิฏฐิทิฏฐ า, านุสัยกับวิจิกิจฉานุสัยถ้าแทงตลอดอนาคามิมัตละมัอ่าไม่ใช่ละปฏิคานุสัยกับการมราคานุสัยถ้าแทงตลอดอรหัตตมรตสัมมาทิฏฐิระดับอรหัตตมัตก็ละ อวิชานุสัยเพราะฉะนั้นนําอนุปฏิคานุสัยออกโดยประการทั้งปวงด้วยอนาคาเมมัช เ, นะเพิกขอนทิฐานุสัยมานานุสัยเป็นต้นเนี่ยนะรวมกันว่าเรามีเนี่ยกระทำธรรมะเหล่านั้นในคือไม่สําคัญผิดไม่เข้าใจผิดไม่มีมานะในขันห้าเลย น, นะจริงๆแล้วตรงนี้ท่านบอกว่ามานานุสัยกับทิฐานุสัยมันคล้ายกันว่าเรามีเนี่ยนะ เพราะว่ามานานุสัยเหมือนกับทิฏฐานุสัยมานานุสัยเช่นเดียวกับทิฏฐิเพราะมีความสำคัญว่าเรามีส่วนวิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อกำจัดมานานุสัยก็ดูในเขมะกะสูตรในขันทะกะวัก น, นะกคือพระเขมะกะสำคัญว่าเรามีเป็นต้นเนี่ยนะก็คือการพิจารณาตามเห็นความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาเพราะว่าไอความเข้าใจผิดการมีมานะเนี่ยนะ ความเข้าใจผิดอะไรเป็นเหตุให้เข้าใจผิดก็ขันห้าเป็นเหตุให้เข้าใจผิดการที่จะมีมานะยึดถือด้วยอำนาจมานะอะไรเป็นเหตุให้มีมานะก็ขันห้าอีกนั่นแหละเพราะการรู้เห็นขันห้าตามความเป็นจริงปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนักก็จะเพิกถอนตันหอทิฐิและมานะได้อย่างเด็ดขาดอาวิชังปะหายะและอวิชชาที่เป็นรากเงาของวัตต์วิชังอุปาเทศตวา ทำวิชาคืออรหัตตมรคให้เกิดขึ้นที่ห้ามผ่นอวิชานั่นแหละทั้นสรุปว่าภาษาริบุตรจบลงที่อรหัตตมรคผู้ที่ละอวิชาได้ดังกล่าวไปแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วทิเทวะธรรมเมทุกขสันตะกรโอติผู้กระทําที่สุดแห่งทุกขในปัจจุบันทีเดียวคิดว่าอัตภาพนี้เป็นอัตภาพสุดท้ายแล้วเหมือนกับตามยอดด้วนเพราะจะไม่ขอรับภาระใดๆดใน วัตตะ อ, อีกต่อไปไม่ขอรับภาระไม่แบกภาระคือชาติชรามรณะอีกต่อไปแล้วนะก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภาษาริบทให้จบลงว่ า, านะด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละคุณอริยาสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนเพราะมาสู่พระศัพทรรมนี้แล้วเนี่ยนะเพราะผู้ที่มณสิการกรรมบดังกล่าว สามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจได้ผู้นั้นก็เลื่อมใสยอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวในพรตรตะไตรสามารถทำที่สุดแห่งทุกได้เนี่ยนะอันนี้ก็พูดถึงวาระแรกวาระแรกแห่งสัมมาทิฏฐิสุดก็คือรู้ชัดอกุศลรู้ชัดอกุศลมูลรู้ชัดกุศลรู้ชัดอกุศลมูลแล้วประมวลสิ่งเหล่านี้เพื่อแทงตลอดอริยสัจ สามารถละสมุทัยศัพท์โดยประการทั้งปวงได้อันะละสมุทัยตัดอนุสัยทั้งปวงอย่างนี้ก็สามารถทำที่สุดเป็นคนที่มั่นคงในพระศาสนานี้คนที่มีความเข้าใจดังกล่าวนี้เรียกว่าผู้มีสัมมาทิฏฐนะิผู้มีสัมมาทิฏฐิแต่ขอทบทวนว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเบื้องต้นคืออะไรกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิรู้กรรมและผลของกรรมสองวิปัสนาสัมมาทิฏฐิรู้ปฏิบัติเพื่อตัดกระแสแห่งกรรม อริยมรรคสัมมาทิฏฐิแทงตลอดอริยศาสตร์เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งหลายเพื่อกำจัดกรรมถอนรากถอนโกลกรรมทั้งหลายอันผู้ที่ปฏิบัติแทงตลอดอริยศาสตร์ดังกล่าวนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ที่มีศรัทธาอันมั่นคงในพระรตนะไตรเป็นผู้ที่เข้าถึงโลกุตตระธรรมแล้วนะนะอันจากการฟังอันนี้ก็ขอจงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัย ให้เราทั้งหลายได้เจริญด้วยสัมมาทิฏฐิทั้งกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิแทงตลอดมรรคสัมมาทิฏฐิทําให้แจ้งผลสัมมาทิฏฐิมีพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยทั่วกันสําหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยหน่อยนะเชิญพอนเจริญพุทธานุสติ